เอต้นคุณเลยในสายยนอาวุธยานอะไรวะมีเป็ น, นะรถ ย, ยานดังมวยมั้งราขังก็เป็นว่าวันนี้มาคุยในกรรมฐานเบื่องต้นนับตั้งแต่ต้นยานปลายใช่ไร น, นะในตอนต้นกรรมฐานในสาหรับบรรดา ญ, ญาโยที่มาใหม่นะการฝึกเริ่มต้นก่อนที่จภาวนา คือว่ารูล้ลมหายใจเข้าออกกัวารรู้ ล, ลมหายใจเขาออกจะว่าตั้งรื่ต้นไปได้กอนภูวนาต่างๆเขาทํำตามนี้คือว่าให้พิจารณาก่อนคิดถึงความจริ ง, งการเกิดที่อการเกิดบนเตียงว่าความทุกข์โลกนี้เปีย น, น, นี้จังคือหนึ่งไม่เที่ยงอะไรทีนะมันไม่เที่ยงคําว่าไม่เที่ยงก็ อ, อะไรก็ว่า มันไม่มีการทรงตัวขั้นแรกของนี่เกมาแล้วเป็นของใหม่ต่อไปเพื่อกาไปทีแตน้อยแต่น้อยอันที่สุดก็พังในเมื่อโลกไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยงสิ่งที่เราคิดว่าเที่ยงมันไม่เที่ยงความทุกข์ก็เกิดเราต้องการให้มันเที่ยงในที่สุดเรากับมันเขต่างคนต่างทางแต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์ไม่มีความดีเพราะมีแต่ความทุกข์ ความหิวเป็นทุกข์ความไปหายเป็นทุกข์ความไปไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพัดนาีของรักของสใจเป็นทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ใ <c> น <oughs> เมื่อความทุกข์มันมีอย่างนี้เราก็ไม่น่าจะมาเกิดอีกการที่เราจะไม่มาเกิดได้เพราะอะไรพราะอาศัยหนึ่งศีลหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาอันดับแรก บุญที่ส่งผลเราไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เราหวังนิพพานก็น้่งทานทานการให้เป็นการตัดโลภความโลภค่อยๆตัดสองศีลตัดโทสะความโกรธสามภาวนาตัดมุหะความหลงแล้ว ก, ก็จิตใจตั้งไว้โดยเฉพาะว่าถ้าเราตายเท่า น, นี้เราขอไปนิพพานเอาแค่นี้ก่อนนะไม่ใหม่นะะหลังจากนั้นไปขอมนาญญาตรายาโยมุตบริษัท ตั้งใจกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นโดยรู้แต่ว่าการรู้ลม ใ, ใจเข้าออกนี่ก็ดีขั้นพัฒนาก็ตามจะไม่ทรงตัวนานนักสักประเดี๋ยวเดียวจิตก็จะเลื่อนเลยจะคิดเรื่อ ง, งอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าเป็นของธรรมดาคนนักฝึกใหม่ ใหม่เท่เก่าก็เหมือนกันนะเก่าก็เอาฮนะเมื่อรู้ตัวติดติดเลื่อนไปในลมพุงสร้านคําเข้างามรู้ตัวก็เริ่มต้นใหม่กำหนดรู้ลมให้ใจเขา อ, ออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจออกรู้อยู่เข้าเรื่อยาวรู้อยู่ท่านเรืออกสั้นแล้วอ อ, ออกยาวรู้อยู่ก็รวมความว่าถึงแม้่จะมีเวลาเล็กน้อยค่อยพอใจก็จิตทรงตัวคณิการจริงกับปฐาน อย่าใช้เวลาให้นานเกินไปก็านาั ค, าคันก็มีว่าอันดับแรกถ้าเป็นคดีการสมาธิก็ดีสมาธิเล็กน้อยจะทรงตัวไม่ได้นาน <c oughs> ถ้าใครเขาคุยไว้ว่าเวลานานดีก็อย่าเชื่อเขาให้เสืออารมณ์จิตทรงตัวไปของดีเราทำเวลาห้านาทีทำมาทรงตัวได้หนึ่งนาทีก็คนจะพอใจ ว่าขณะใดที่จิตมีสมาธิเวลานั้นจิตว่างจากิเลสขณะที่รู้ลงใจเขาออกก็ดีผู้คำภาวนาก็ดีขนานั้นจิตไม่คิดเรื่องอื่นถือว่าเป็นจิตว่างจากิเลสตอนนี้คำภาวนาคุณจะว่า ย, ยัางไงคำภานานี่ไม่จำกัดในการฝึกเบื้องต้นแต่โดยมากพระโบราณอาจารย์นั้หลายว่าจะแนะนำให้ภาวนาพุทโธ ขอพุโทโธเนี่ยเป็นชื่อพระพุทธเจ้าที่ว่าพุทธานุปติรือความต้องัารมากให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกไว่าโทเราะว่าถ้าใครเคยฝึกมาแล้วสร้งแบบไหนพันาแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนใช้ได้จะต้องการกิตเป็นสมาธิต่อมาสมาธิสูงขึ้นเ้าเรียกว่าอุปจาระสมาธิตอนนี้มีปีติเป็นพื้นฐานปีติคือความอิ่มใจ ตอนนี้ต้องระวังในช่วงนี้นะต้องระวังเพราะว่ามันจะไม่อยากเลิกทําแล้วก็มีรมชุ่มเสื่นมีรมสว่างมีจิตเป็นสุขถ้าไม่อยากเลิกจะ ถ, ถึงเวลาควรพักไม่พักทําเรื่อยไปไม่ช้าก็ไปโรคซึมเศร้าที่เราบอกว่าเจริญกรรมฐานน่าเป็นบ้าบ้ า, าตรงนี้นะไม่ใช่กรรมฐานทําให้เราบ้าเราอยากบ้าเองใช่ไหมใการเจริญกรรมฐานต้องถืออาจิต จะอาดและจิตสบายไปสําคัญถ้าถึงเวลาควรพักเวลาไหนต้องพักตามนั้นอย่าฝืนถ้าถึงเวลานอนก็ภาวนาให้หลับไปอันนี้ดีกว่า <c oughs> อย่างนี้เป็นกรรมฐานเบื้องต้นถือว่าอุปจารสมาธิยังไม่ถึงฌานต่อมาถ้าจิตเข้าถึงฌานจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งจะมีอารมณ์ห้าอย่างแต่ไม่ต้องจําอารมณ์นะท่าไง จยไม่ยุ่งกับเปล่ามั้งบอกไว้หน่อยๆซะไม่ต้องจำสิ่งหนึ่งวิตกนึกว่าเราจะภาวนานึกว่าเราจะรู้หลวงแม่ใจเข้าออกสองวิจารณ์่ัว่าภาวนาถูกหรือไม่ถูก ใ, ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นสามปีติความอิ่มใจสี่สุขมีความสุขรั่งน้ำตาอ ย, ย่างมากแล้วก็ อเุเบขาวางเฉยจิตไม่คงสานอย่างนี้จำยากเอางี้งก็แล้วกันถ้าจิตของเราเข้าถึงวัฏสงสานเพื่องสังเกตมีว่าหูหูเรายังดีอยู่ตีนเสียงทุกอย่างเขาคุยกันเราได้ยินเขาลองนาทำเพลงเราได้ยินเขาด่ากันเราได้ยินแต่ว่าเราไม่จำคาญในเสียง สา ม, มารถภาวนาพิจารณาไปได้ตามอัิญาสัยอย่างนี้เป็นปทขอมิจฉานเรื่องต้นเอาแค่นี้พอพอไหมไม่พอเดี๋ยวจะพูดไม่จบถ้าต่อไปรดับที่สองยากจนหลายฝึกมโนยิทธิที่พูดเมื่อกี้เป็นสุขกายสุขใวัชโกโนะการฝึกมโนยิทธิเป็นทั้งวิชาสามและอัญญาร่วมกัน จะถือว่าเป็นวิชาสามอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะวิชาสามได้เฉพาะการเห็นเท่านั้นนรกอยู่ที่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นเจตอยู่ที่ไหนเรานั่งอยู่ตรงนี้เราเห็นเทวดาพระนางฟ้าค่ไหนเรานั่งตรงนี้เราเห็นพระนิพพานอยู่ที่ไหนเราเห็นแต่เราไปไม่ได้นี่ชาสามถ้าถึงยาเห็นได้ด้วยแล้วก็ไปได้ด้วย เรื่องการฝึกมโนจิติเราทั้งเห็นนั้งไปได้จี่เปรียญญาถ้าญาติโยที่ปฏิบัติได้มโนจิติก็ถือว่าได้กำไรมากเพราะรู้จริงเห็นจริงหมดความสงสัยแต่ก็จงอย่าประมาทตัวเองจงอย่าคิดว่าดีแล้วก็ถ้าหากได้แค่เพียงารโลกีมันยังไม่พ้นนรกยังมีโอกาสบาปอยู่มากยังมีโอกาสจะร น, นรกอยู่มาก เ่ะต้องทําตัวถึงขั้นเป็นพระอริยเจ้าเฮไหวไหมไหวนะไม่ยากถ้าเรายกพระพุทธรูปขึ้นเราก็ไปไหวพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปสุวดาบันมีอะไรไม่มากหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายทุกคนต้องตายแน่ถ้าที่นั่งใ น, ในใครจะตายก่อนกันฉันว่าฉันตายก่อนนะไม่เท่าแก่ ให้เราแก่จะตายก่อนถ้าเราแก่ตายก่อนเสียท่านะใช่ไหมตะกุนนะเอาแน่ทุกคนที่นั่งนี่ต้องตายหมดจะตายท่าตายเร็วด้วไมอีกแล้วงให้มีความรู้สึกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงความตายอยาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ในเมื่อเราคิดถึงความตายก็ต้องตั้งความดีเขไว้คือเราไม่ต้องการลงอบายะคุม นั่นก็ได้กสองนั บ, นบยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ทั้งสามอย่างให้ทรงตัวเรีว่าเขาถึงไปธนาคมแล้วก็ประกาทีสามทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์นี่ต้องบริสุทธิ์ทั้งวันนะทุกวันเลงนะถ้าจิตใจรักปฏิพันธ์เป็นอารมณ์ อย่างนี้เรียกว่าปรโสดาบัญขันยาบใช้ได้แล้วถ้าทรงความเป็นปรโสดาบันได้บาปเก่าๆที่เราทำไปแล้วไม่สามารถจะให้ผลได้ึ้นหมายความว่าคือแม้เรจะตายลงไปเราเคยฆ่าสัตว์เราเคยลักทรัพย์เคยพะพผิดในกรรมเคยพูดโมดสาไหว่เคยดื่มสราในไรทั้งหมดที่เป็นบาป แต่เมื่อเราเข้าถึงประโสดาบันรับบาปทั้งหมดไม่สามารถจะให้โทษเราได้เอาลงอาใบจะพูดไม่ได้หนีนรกไปเอว่าขั้นต่อไปในเวลาจิตนาทีตอนนี้คนทุกคนที่นั่งเนี่ยทุกคนหวังว่าจะไปที่พานชาตินี้ได้ไหมใครที่จะไปได้ยกมือที่ออเออเขาเขากลัววะ ย, <laughs> ยังไม่เท่าโคอิด ว, วัวนะ ก็ดีมากลูกดีมากมีกําลังใจดีถ้าหวังว่าปณิพันธ์ได้และจิตใจก็ตั้งไว้ในความดีอันไปได้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนได้มโนยิทธิได้มีกาไรมากถ้าหวังนณิพันธ์จริงๆตอนจะหลับพุ่งใจไปนิพันธ์ก่อนตื่นใหม่ๆยังไม่ต้องลุกพุ่งใจไปณิพันธ์ก่อนแค่นี้เองพ อ, อะแค่กาไล ้าที่ทาคิดว่าจะไปนิพพานไม่ได้เราก็จะย่องย่องไปดร์บว่าย่องย่องไปสถ า, ษษษาสิทธิอนี้ไหมครนนี้ไม่ใช้ตาขายดีนะใช้ผ้าใบรองรับเลยเมื่อเร็วๆนี้หลังจากรออบัตถุเสร็จวันที่สิบห้าวันที่สิบหกแสงการะลังทองระลงทองมีอการผิดปกติ พลังเท่ามาแล้วพระทัอยู่ด้วยและท่างก็ไปหม ด, ดทั้งปกติพลังเท่าท่านไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่วันนั้นมันเกิดปๆๆเป็นพิเศษเปยดเครื่องแอร์สามตัวไม่เย็นเปิดพัดลมสามตัวก็มาย็นมันปวดท้องมากนับประเดี๋ยวก็เดิน เ, เข้าส้วมไอเดินก็จะเดินไม่ไหวท่าทางไม่ดีมากพันเวลาสองทุ่มพอานนุตยานขึ้นไปให้ตามเวลาที่หมอสั่ง เธอเห็นเข้าก็ถามว่าพระไม่อยู่แล้วบอกพระเธอไปแล้วเพราะว่าตามธรรมดานะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยไม่ห่วงอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันเธอจะบอกจะอยู่เป็นเพื่อนบอกจะอยู่เลยเป็นผู้หญิงไปข้างล่างทํามีอะไรเกิดขึ้นมากก็จะโทรศัพท์ลงไปพอเธอกลับไปแล้วก็ไนั่งนึกในใจว่าเราเดินก็ไม่ไหวท้องก็ปวดมากอากาศก็ร้อนจัดเปิดแอร์สามเครื่องมันก็มันไม่เย็น ไฟธานุลงไปสามตัวก็มาเย็นก็แสดงว่าร้อนในไม่ใช่ร้อนนอกแต่าการร้อนในอย่างนี้สมาราณนะก็ไฟธาตุแตกตายนี่ไฟธาตุมันไม่แต ก, กมันลุกใช่ไหมก็จับมานั่งที่เตียงสองทุ่มครึ่งก็มานึกในใจว่าถ้าห่วงคั้นห้าแบบนี้จเจ้าระดีกับเราเกิดขึ้นให้มีความหมายเลิกห่วงกันดีกว่า มันอยากจะตายก็เดินตายเรื่องตายไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราก็เอนตัวลงนอนมันก็เริ่มปวดท้องใหม่ปวดเสียดมากก็เลยบอกว่าเมืองอยู่เนี่ยกูไปเลยเว้ยนะไม่หนีไปเฉยๆนะไม่หนีไม่ลามาเฉยๆอย่างอภิชาติเนี่ยมันมาบ่อยไม่หนีไม่ลามาชเฉย <c oughs> ก็เลยหนีไป หนีไปบ้านใหม่ก็ไปพบพระพุทธเจ้าที่ท่านหลายองค์พบเยอะท่านนั่งเป็นประธานองค์ผมเป็นประธานท่านถามว่าหนีเข้ามาเลยบอกไม่หนีครับผมมาบ้านผมเราบอกว่าโอกาสยังไม่ถึงบอกไม่เป็นไรผมพักก่อนถ้าเจ้านั่นมันยังมีลมหายใจอยู่ผมจะกลับแล้วถ้าเจ้านั่นไม่มีลมหายใจผมไม่กลับก็เลยไปนั่งคุยกับท่าน ถ้านคุยด้วยพอคุยไปคุยมาท่านก็บอกว่าเมื่อสร้างมณฑลชั้นเสร็จถ้าปีหน้าปรรจุพระธรรม ท, าท้าวติเกตชั้นถ้าปีโน้นคําว่าปีโน้นหมายถึงสามเจ็ดนะให้หล่อพระศรีอ่านถามว่าทําไมจึงต้องหล่อพระศรีอ่าน์ท่านบอกว่าทองที่เขาถวายมาเพื่อหล่อชั้นนะัะมันยังไม่หมดก็อบอกว่าเอามาหมดแล้วครับถ้าบอกยังไม่หมด มันยามาไม่ถึงก็งเป็นความจริงเวลานี้ทองส่งไปทางไปสนียเกืนะอกกิโลวัตเกือกิโลนะเออไม่กิโลวัต์นะกิโลก ร, รมัมไม่ใกิโลเมตรคิดถึงหนึ่งกิโลเมตรเลยก็เทามาหลายกิโลนะหลายสิบกิโลมาไกลอย่างคนแกงในเชียงใหม่เนี่ยก็เป็นว่าท่านสั่ให้รอพัทิอานก็ถามว่าจะหรอแบบไหนท่านก็เรียกพระทิอ่านมา อระจีอ่านมากาญจนพัชรีออนในสีท่านสวยมากแสงสว่างมากมีหลายสีเคเห็นไหมสีเยอะนะพระจีอานนี่นะสวยมากสว่างมากด้วยก็าถามว่าถ้าจะหล่อท่านสมเด็จสังให้หล่อท่านจะให้หล่อแบบไหนทำแบบไปดูที่ท้าก็ยืนขึ้นแต่ว่าเครื่องแบบทั้งหมดเป็นชุดสีขาวใสหมด ก็บอกว่าตามธรรมดาถ้าไม่จะทุกสีใสท่ามีหลายสีทําไมทําแบบนี้ท่าบอกเป็นการตัดกิเลสเรื่องสีเป็นความพอใจของท่านนะเพราะว่ามือขวาถือจักบมือซ้ายถือพกขันแต่ความจริงเคยเห็นทุกครั้งไม่เคยเห็นจักไมีประสานดังนั้นท่านทาให้ดูยืนเย็นแขนตรงธรรมดาไม่ใช่ตั้งท่ารกถาว่ามีจักรมีพกขันว่าทาไมเพราะถ้าคนกิเลสหนาต้องใช้จับ บางเด็ดบางก็ใช้กระขนาดรูปบางขคาะบางงานที่พระเจ้าเสกกันแรกแเสกใหกัมนาจารย์นเสกธรรมจักใช่ไหมกคณอาจารย์เนาาี่ยต้องเทศมากาไม่งั้นก็หามีความรู้น้อยเขาเขาไม่เชื่อถ้าคนที่ไม่เคยศึกษามาเลยก็เรีว่ารู้น้อยน้อยพอเทศน้อยพอฟังได้แต่ท่านเทศ ก, ก็บอกว่ากะลิบอกว่ากะลิบุคุณใดเห็นธรรมบุคุณนั้นชื่อเห็นธรรมะแค่นเองแล้วกะลิก่อได้พออระอรหันต์ เมือาชะอธานก็ต้องทำภาพไปดูแล้วก็ถามว่าพราะเจ้าทรงปา ก, า ก, ากว่าคนของฉันก็ดีคนเขาลูกชายของฉันก็ดีถ้าไปนิพพานไม่ได้ก็กล่าวด้วยนะอธิยานก็ย้อนใหมาบอกผมก็าฝากคนของผมด้วยครับนั่น <c oughs> ไม่รู้ใครฝากใคร <c oughs> ไม่เสียท่าคนของผมเวลานี้มีหลายแสนคนเฉพาะที่ประเทศไทยนะ แล้วก็เป็นลูกศิษย์ท่านก็หลายคนเยอะเป็นแสนเหมือนกันที่เขาไม่มาก็มีนะก็ะถามว่าชาติจะเกิดทันสอนท่านทางยังไงเออเขา่านะเพิ่มพราดชาตินี้ไะมโอ้ดิมายกมือเมื่อกี้เนี่ยเพิ่าชาตินี้ท่าอเอางี้ก็แล้วกันถ้าเขาต้องการเกิดให้ทันสมัยผมแล้วก็บรรลุสมัยนั้นให้ปฏิบัติตามนี้ขึ้นห นักษาสิ้นห้าบริสุทธิ์รยกา ร, 2, ท, ร, กรที่สองรมกบกบสิบบริสุทธิ์ทั้งสองอย่างในทั้งวันปกติะวันชะทุกวันนะชินห้ากับทดสิบก็บกันแล้วเป็นสิบเอ็ดคำบดสิบทางกายมีสามหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สไม่พิจิรณนกรมต่อโดยชิ้นห้อีกข้อหนึ่งคือไม่เดือดราอนจะมีไรเป็นสี่น 4, นะ ทางวาจาก็ไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพือเจือเหลวไหลทางจิตใจก็ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมในเมื่อเขายังไม่บอกให้เราไม่ต้องการในกรทีสองไม่ความโกรธยังมีอยู่แต่ไม่อาคติมากร้ายไข่ไม่เจ้าร้านจงสายคร่ในการที่สามสมาธิ มีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติไปิึนห้ากระบวสที่ไม่ครบถ้วนถ้าทำได้อย่างนี้ทุกวันตั้งแต่ปฏิภาจนกว่าจะตายถ้าตายก็ไม่ลงนรกเมื่เกิดเป็นสดานางฟ้าหรือผมก็มีหน้าัสนาบารมีมากมีไม้สขามากคือมีฤิกมากแต่เมื่อเกิดสมัยผมผมเทศกซีแัวข้อยอยออย่างเราแทรกับวัคคิลกีนี่นะ เอว่าฤๅบุคคนใดเห็นธรรมบุงคลนั้นชื่อเห็นสถานคแค่นี้เขาจะรู้มรรคผลทันทเนีเป็นอุกติันอยู่เม่ถ้าหย่อนลงมาบางท่านตั้งใจรักษาสินห้าครบกระบวนสิทครบจะครบมั่งรั่วมั่งบางท่านก็เผลอใช่ไหมส่วนใหญ่รักษาได้ดีดแต่ว่าบางท่านก็เผลอไปอย่างนี้เป็นอกติันอยู่ อธิบายเป็นแค่หัวข้ อ, อยังเข้าใจไม่พอต้องอธิบายนิดหน่อยจึงเข้าใจอย่างพยศพย ศ, ย ศ, ยศที่ฟังเทศจาะผู้เจ้าจบแรกสันส้นๆเป็นพระโสดาวันพอพ่อไปผู้เจ้าเทศซ้ํากันนอีกทีครั้งหนึ่งเป็นพระอาหารย์ถ้าทบดาวบางคนไม่สามารถจะรักษาวันปกติได้ดี<ๆ>ก็ตั้งใจรักษาวันพระวันปกติบกต้องบ้างไม่เป็นไร แล้ววันพระต้องเต็มไม่จจเฉพาะนะวันพระนะวันพระต้องเต็มทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะบางคนมีความจําเป็นต้องทาําบาปเพราะอะนะอย่างพวกค้าขายนะมีความจําเป็นมากต้อโกหกใช่ไหมเออต้องร่างพ่อเหมือนกันต้องโกหกเหมือนกันนะบางคนก็มีอาชีพเป็ปรานาดีบาทเขาจําเป็นต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อันนี้ถือว่าอาชีพมีความจาเป็นจะไม่ทําแบบนั้นมันก็ไม่มีจะ ก, กินแต่ว่าข้อไหนรักษาได้ให้ทรงไว้ข้อไหนรักษาไม่ได้มันจําเป็นต้องอาชีพก็ทําไปแต่ว่าวันพระต้องเต็มเฉพาะวันพระนะต้องมีหินห้าด้วยกะวยรบะบอกเสียด้วยครบถ้วนจะบกพรองไม่ได้อย่างนี้เป็นเนยะท่านบอกว่าถ้าเกิดในศาสนาผม ตันี้เทศครั้งหนึ่งสองครั้งยังไม่รู้เรื่องถ้าเทศสามคือรั้นเก็บเล็กเกินน้อยก็ไปพระอาหารได้เห็นไมเป็นสามชั้นนะตรงความว่าทุกคนถ้าไม่มั่นใจว่าจะไปนิพพานได้ในชาตินี้ตั้งใจไว้จุดหนึ่งว่าเราต้องการนิพพานในชาตินี้เราต้องการหากว่าเราไม่ไม่ไม่สามารถนิพพานได้เราจะไปสัตย์ชัท่านภาษาพระที่อ่านก็เลยถามท่านตอไปอีกนิดหนึ่ง ท่านก็นบอกว่าเขาดีกาจารอย่างไรที่บอกว่าในสมัยของท่านมีต้นกระดาประพฤกคนจะอยากได้เงินอยากได้ทองก็ไปสอยที่นั่นมีเชือกดึงให้หล่นลงมามจริงไหมท่านบอกไม่จริงอะแล้วก็อฉันก็เขียนไม่หน่อยแล้วสิตานดีกาจารเนี่ยเจ้าของบอกไม่จริงอ่ะถามว่าน่าจะรวยได้ยังไงจะสวยได้ยังไงถ้าบอกคนที่มีสีนะั่ <c oughs> เป็นเหตุให้เกิดความสวย ดีศินห้าก็หมดสิ้นทสวยทุกคนอาการที 2, ่สองเทโมยไม่มีเพราะทุกคนรักษาสินรักษาสินข้อที่สองได้อาการที่สามคนไม่ดื้อด้าเพราะรักษาสินข้อที่สามได้อการที่สี่พูดจริงทําจริงทุกอย่างวาจาพระเพราะรักษาสินข้อที่ห้าได้แล้วก็คนทุกคนจะไม่ปวดทิ่สะจะไม่เป็นโรคเสืาา่อมสายจะไม่เป็นโรคบ้าเพ ร, ะเะราะไ้นดักดึงทนดุงเวลาดึงอะไร ถ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่จะทันศาสนาผมต้องมีฐานอรมีนําหน้ายงถวายสังฆทานเป็นต้นคนที่ถวายสงฆ์ทานแม้แต่ครั้งเดียวก็เป็นมหาเศรษฐีอย่างพวกเราโอ้โหไหลมหาเศรษฐีเราเขียนที่ที่ที่ทีมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมหาเศรีแม่ยาวเหยียดนะห้อยไทยนะก็เป็นสว่าติบรรดาญาโยมุธบริษัตและว่าทุกท่านหรือหลายท่าน ที่คิดว่าจะาปฏิพันธ์ชาติดีไม่ได้แต่ตั้งใจไว้ก่อนมันไม่แน่นักเพราะการปฏิพันธ์ไม่ใช่ของยากเกินไปไม่ยากแต่ก็ไม่ไง่ายนักและแน่นอนไม่ได้ว่าทุกคนตั้งอยู่เสมอ ว, ว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความป่ยความบาดเนื้อไม่สมหวังเป็นทุกข์ความพักนาจาของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ฟังจนชินแต่ฟังปโยชนเส ม, มอว่าการเกิดไปเทวดาทุกผมและนางฟ้าก็ตามมีความ ส, สุขไม่แน่นอนเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าต้องการนิพพานจิตท่าต้องการนิพพานวันนิตคิดว่าเราจะปฏิพันธ์จิตก็เริ่มสร้างความดีเมื่อบุญเราก็ทําทานแล้วก็ให้สิ่งก็รักษาภาวนาก็จเจริญขณะที่จะตายบุญรวมตัวกัน ตอนนั้นไม่แน่นอนนักถ้าเห็นเทวดาเห็นนางฟ้าเห็นตรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระเจ้าเกิดเบื่อหน่อยความเกิดขึ้นมาในเวลานั้นถ้าการป่วยของเรามีแต่ความทุกขเวทนาอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกถ้าจิตคิดเพียงชนี้ทุกคนจะไปนิพพานทันทีแต่ว่าบังเอิญมันไม่คิดก็หวังตั้งใจว่าเราจะไปทำศาสน า, าพระยิอ่านใช่ไหมที่ตอนนั้นช่อนกันหนักต้องใช้ต้องใช้ผ้าใบ ไม่ใช่ตาขายแล้วนะก็มองความว่าหลังจากนี้ไปเขาเป็นดาแยกโยพุรตรวจัตนหลายวาหวังไว้สองจุดกันชาติว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานถ้าเราไปนิพพานชาตินี้ไม่ได้เราจะไปดานทันศาสนาพาุทธิอานไปเกิดเป็นเทวดาไปนนางฟ้าก่อนตอนนี่ทา่ทานท่านชี้แจงมาเองนะฟัง ม, มาเองไอ้ที่ว่ารวยรวยนะรวยแนะ่พระทันวารมี ถ้าคนสมัยนั้นสวยๆแน่เพระศิลารมีคนสมัยนั้นไม่มีไม่มีโทษทางทัพสินไม่มีภัยทางทัพสินเพราะรักษาสิ่ข้อที่สองได้คนสมัยนั้นไม่ดื้อด้านอ่อนโยนไม่ทะเลาะบอกแวงกันพระรักษาสิ่ข้อที่า ส, าสามได้คนสมัยนั้นพูดเพราะพระรักษาสิ่ข้อที่สี่ได้คนสมัยนั้นไม่ปวดทิสสะไม่โกรธสินสารไม่บ้าเพราะไม่กินเหล้าเมา ย, ยา ไอ้ที่กินแล้วก็แล้ ว, ลวไปจะตามนึกถึงมันนะตั้งใจตามนี้นะญาโยมนะช่างเหนื่อยเราสิขอได้หาพระดีกว่าั่าใ จ, จะสมาทานสีาานอทางกรรมฐานนะ